ที่จะนำมาเล่าต่อจากนี้เป็นเรื่องที่เราได้รับทราบจากการออกเดินทางไปทำงานตามสถานที่ต่างๆในจังหวัดสงขลานะคะแน่นอนละค่ะว่าการออกเก็บข้อมูลทางไทยคดีศึกษาในเรื่องต่างๆตามสถานที่ต่างๆยอมได้รับทราบข้อมูลทั้งเชิงประจักษ์แล้วก็ความเชื่อในแนวทางเฉพาะถิ่นไม่ว่าจะเป็นความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องพูดผีแล้วก็ดวงวิญญาณคุณผู้ฟังหลายๆคน ก็เลยขอให้ทำการรวบรวมนำมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะคะเพื่อเป็นประสบการณ์แลกเปลี่ยนเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้นะคะแล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละบุคคลค่ะโดยเราจะเริ่มต้นกันที่เรื่องที่หนึ่งเลยนะคะก็คือสถานที่ที่บอกว่าเป็นตำนานเรื่องผีในจังหวัดสงขลาค่ะนั่นก็คือที่หน้าโรงเรียนอุดมศึกษาพานิช สมัยก่อนนะคะล่วงผ่านเลยมาก็มีเรื่องเล่ากันปากต่อปากจากผู้สูงวัยว่าที่เชิงสะพานตอนเช้าตรู่ราวตีสีถึงหกโมงเช้าก็มักจะมีผู้หญิงผมยาวผิวขาวค่ะใส่ชุดขาวมายืนโบกรถอยู่หากใครจอดรับเธอก็จะหายไปพร้อมกับความสวยหรือเรื่องร้ายๆที่เข้ามาเยือนคนดวงสวยคนนั้นนะคะสถานที่ที่2ค่ะคือบริเวณถนนสีภูวนาธ มีซอยหลายซอยมากค่ะมีอยู่ซอยหนึ่งก็คือซอย12ซอยนี้เองมีโรงเก็บหัวหอมร้างอยู่ซอยหนึงเล่าลือกันค่ะว่าผีดุมากเลยนะคะสําหรับสถานที่เหล่านี้มีเรื่องเล่านะคะว่าเมื่อหลาย10ปีก่อนมีลูกจ้างโรงเก็บหัวหอมถูกบานประตูเหล็กตกใส่ทับจนร่างกายแหลกเละทั้งตัวแล้วก็ไม่มีใครสามารถจะนอนค้างคืนในโรงเก็บหัวหอมร้างซอย12ได้เลยตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา สถานที่ที่นะคะคือสะพานรถไฟมีราวเหล็กขาดที่ตั้งอยู่ในบริเวณบ้านน้าน้อยเคยมีคนตายกว่า400สี0ร้อยศพที่สําคัญเป็นการตายโหงในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองโดยเชื่อกันนะคะว่าที่นี่เฮี้ยนมากคนเฒ่าคนแก่หลายคนเรียกสะพานรถไฟแห่งบ้านน้ำน้อยนี้ว่าสะพานสายมรณะบ้างก็ว่าเป็นสะพานผีตายโหง เคยมีเรื่องเล่าในอดีตค่ะบอกว่าเคยมีกลุ่มคนมายืนโบกรถอยู่ที่แถวแถวสะพานรถไฟดังกล่าวโบกรถเพื่อจะไปสงขาพอรถให้ขึ้นปรากฏว่าระหว่างขับกลุ่มคนดังกล่าวก็หายไปอย่างไรร่องรอยทำเอาคนขับรถถึงกับจับไข้ไปหลายวันเลยล่ะค่ะเรื่องที่สี่นะคะคือแถวซอยหนึ่งข้างวัดโคกนาวกับห้างโลตัสเด็กหัดใหญ่เรียกกันว่าซอยคุณยายสปีด เชื่อกันว่าหากขับรถมอเตอร์ไซค์เข้ามาในซอยคนเดียวหลังเที่ยงคืนในคืนเดือนมืดแล้วจะต้องเจอกับคุณยายสปีดหลอกเอาด้วยการกระโดดขึ้นมาซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์หรือเป็นการวิ่งไล่รถมอเตอร์ไซค์นะคะซึ่งใครดวงซวยถึงคาดอาจถึงตายได้ค่ะอันดับที่5คือถนนสายหัดใหญ่สงขลาก่อนถึงปั๊มน้ำมันมีเรื่องสยองเล่า ว, ว่าเคยมีกลุ่มรถซิ่งถูกสายสลิงที่ขึงไว้กับต้นไม้ใหญ่2ข้างทาง ตัดเอาคนนั่งซ้อนท้ายซึ่งเป็นผู้หญิงจนหัวขาดมาแล้วเชื่อกันว่าหากขับรถมาตอนกลางคืนแล้วเห็นคนขับรถมอเตอร์ไซค์ไม่มีหัวอย่ามองหรือชี้มือไปหาเพราะว่าท่านอาจจะสวยเอาได้ค่ะสถานที่ที่6นะคะคือบริเวณเปิดท้ายกรีนเวย์ข้างป่าชาโคบโพแต่เดิมนั้นเป็นวางน้ำขนาดใหญ่ ชาวบ้านคลองเรียนเรียกกันว่าวังน้ำดำเชื่อว่าเป็นดินแดนอาถรรพ์ที่ผู้มีวิชาอาคมมักมาลองของปล่อยของใส่กันนะคะสถานที่ที่7คือวัดโคกนาวค่ะสมัยก่อนเรียกว่าโคกเนา่าเพราะว่าเคยมีการฝังศพเป็นจำนวนมากแต่ปรากฏนะคะว่ามีน้ำท่วมขังในบริเวณดังกล่าวในปีหนึ่งชาวบ้านเลยจาต้องนาศพไปผูกติดเอาไว้กับกิ่งไม้ใหญ่ บางก็ว่าเป็นนายพรานหลายคนไปยิงสัตว์ในโคกเน่าถูกซากศพที่เน่าเปื่อยตกใส่จนขวัญห น, นีตามๆกันซึ่งเราก็ได้ยินผู้เฒ่าผู้แก่ท่านหนึ่งนะคะท่านก็กรุณาเล่าให้ฟังบอกว่าถ้ามืดค่าจะไม่ยอมเดินผ่านโคกเน่าเป็นอันขาดเพราะว่าที่นี่ผีดุที่สุดในจังหวัดสงขลาค่ะ สถานที่ที่แนะคะคือหน้าศาาูนย์สาธารณเทศบาล น, นครหาดใหญ่เชื่อกันว่าที่นี่เฮี้ยนหน้าดูเลยล่ะคะ่ะเพราะว่าจะต้องมีคนถูกรถชนตายหรือรถทับตายทุกปีหลายคนบอกว่าเขาต้องการตัวตายตัวแทนสถานที่ที่9หน้าวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่นะคะบริเวณใต้สะพานลอยหน้าวิทยาลายัยเชื่อกันว่ามีผีเฝ้าอยู่ใต้สะพานลอยใครดวงถึงคาดจะถูกผีผลักให้รถชนเพื่อเป็นตัวตายตัวแทน อันนี้เด็กเทคนิคหัดใหญ่เล่ากันภายในวิทยาลัยนะคะส่วนสถานที่ที่สิบ ต, ต่อไปค่ะ คือเจ้าที่ที่ปกป้องวิทยาลัยเทคนิคหัดใหญ่นอกจากจะมีพระวิศนุกรรมแล้วนะคะบริเวณเชิงเขาข้างแผนกช่างยนต์ยังมีเจ้าที่เก่าของที่นี่ปรากฏให้ได้เห็นครูอาจารย์เรียกท่านว่าทวดตาเดียวส่วนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคหัดใหญ่เรียกว่าเจ้าพ่อตาเดียวค่ะถือกันว่าท่านศักดิ์สิทธิ์มากๆบูชาหรือว่าเส้นด้วยอะไรก็ได้ยกเว้นเนื้อหมูเพราะว่าเชื่อกันว่าท่านเป็นมุสลิมค่ะ สถานที่ที่11นะคะเจ้าที่ที่มหาวิทยาลัยทักษิณเด็กที่นี่เรียกกันว่าทวดเลียบเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของที่นี่ปรากฏรูปของต้นไม้ใหญ่เชื่อกันว่าหากใครขวัญอ่อนหรือต้องการความเจริญก้าวหน้าในการเรียนหรือการงานด้านต่างๆนะคะให้บูชาท่านด้วยยาคูเท่านั้นค่ะ สถานที่ต่อไปนะคะมีความเชื่อกันว่าหน้าตึกเรียนอาคาร13ภายในมหาวิทยาลัยทักษิณเชื่อกันว่ามีความเฮียนระดับสูงมากๆและที่หน้าตึกเรียนอาคาร13นี้นี่เองที่มีห่วงซุยขนาดใหญ่ตั้งอยู่หน้าตึกน่าจะเป็นตึกเรียนตึกเดียวในประเทศไทยที่มีหวงซุยอยู่ด้านหน้านะคะก็เล่าลือกันค่ะว่าบางครั้งดึกๆก็จะมีคนเดินไปเดินมาที่หน้าห่วงซุยพอมองนานๆท่านผู้นั้นก็จะหายไปอันดับที่13 ภายในมหาวิทยาลัยราชพัฒนสงขลาค่ะเชื่อกันว่าสระน้ำอาคารตึกอำนวยการหลังเก่าเคยมีเด็กผู้หญิงที่มาเข้าค่ายที่นี่จมน้ำตายและเธอมักชอบออกมาเล่นงานคนที่ดวงถึงคาดด้วยการดึงหรือลากลงไปในน้ำสถานที่ที่สิบสี่ภายในมหาวิทยาลัยราชพัฒสงขลาที่อาคารหอสมุดหลังเก่านะคะ ที่เชื่อกันว่าที่บล็อกฮอนกูกมีวิญญาณของนักศึกษาที่นี่สิงอยู่ท่อนบนเป็นผู้ชายใส่ชุดช่างอุตสาหกรรมส่วนท่อนล่างไม่มีค่ะสถานที่ที่สิบห้าแถวแถวท้ายวัดคลองเรียนในอดีตยังมีต้นยางใหญ่อยู่ต้นหนึ่งบนต้นยางปรากฏเป็นฝูงชินจำนวนมากลอยอยู่ หลายคนเชื่อนะคะว่าชินคือผีชนิดหนึ่งซึ่งมีรูปลักษณะเป็นดวงไฟสีขาวขุ่นใหญ่ประมาณเท่าลูกฟุตบอล1เมตรปัจจุบันเชื่อกันว่าต้นยางดังกล่าวไม่มีแล้วแล้วก็น่าจะเป็นสถานที่ที่ตั้งของหมู่บ้านร่มเย็นตรงบริเวณไหนไม่อาจคาดเดาได้แน่ชัดนะคะส่วนสถานที่ต่อไปคะ่ะสถานที่ที่16รถเมสายหัดใหญ่สงขลา เด็กหาดใหญ่เรียกรถโพทองเชื่อกันว่ารถโพทองมีอยู่คันหนึ่งนะคะที่มักจะปรากฏหญิงสาวในชุดนักศึกษาผมยาวเธอมักจะชอบนั่งอยู่กับอี้เกือบท้ายสุดในยามหัวคำ่ำพอมองไปนานๆนนเธอก็จะหายตัวไปสถานที่ที่17ค่ะวัดคลองแห่ตำบนคลองแหออาเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยเชื่อกันนะคะว่ามีเนินดินสูงอยู่เนินหนึ่งเรียกว่าโคกนกคุ้ม ภายในเนินดินมีทรัพย์สมบัติฝังอยู่แล้วก็มีผีนานาชนิดเฝ้าดูแลอาทิผีปลาหัวกะโหลกสถานที่ที่18ค่ะแถววัดคูเต่าตําบลแม่ทอมจังหวัดสงขลานะคะวัดคูเต่าหลังแรกแล้วก็วัดสะเต่านะคะก็เคยมีเสือสมิงอาศัยอยู่ใกล้บริเวณวัดได้เข้าทําร้ายสั ม, มนเณมมรณะภาพหนึ่งรูปคือสา ม, มนเณมถูกกัดที่ศีรษะจนขาดแล้วก็ถูกกินเป็นอาหาร ส่วนที่เล่าลือสยดสยองต่างๆนานาค่ะก็คือเสือสมิงที่เป็นเสือร้ายที่เชื่อกันว่าเกิดจากอิทธิฤทธิ์ของวิญญาณร้ายที่แปลงร่างขึ้นมาสถานที่อีกที่หนึ่งคือวัดโลการามบ้านสะทิ่งหม้อนะคะสิงห์นครสงขลาที่นี่เชื่อกันว่ามีเจ้าที่ประจําวัดเป็นพญางูจงอางขนาดใหญ่ซึ่งเรียกว่าทวดตาหลวงรองค่ะเชื่อว่าใครบูชาแล้วจะเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ นอกจากนี้ยังเชื่ออีกว่าหากใครเข้าไปขโมยทรัพย์สมบัติของทางวัดจะโดนงูทวดเล่นงานจนต้องหนีกระเจิงทุกราไสถานที่ที่20ฐานหน้าอุโบสถวัดพุตเตาะหาดใหญ่สงขลามีต้นโพอยู่ต้นหนึ่งเชื่อว่าต้นโพแต่เดิมก็คือเจ้าอาวาสวัดพุตเตาะครั้งหนึ่งท่านได้ ใช้น้ำมันราดแล้วก็เผาตนเองจนมรณะนะคะแล้วก็ท่านก็ได้ไปเกิดใหม่เป็นต้นโพหน้าอุโบสถซึ่งเป็นความเชื่อของชาวบ้านในพื้นที่นะคะส่วนที่21ค่ะเป็นบริเวณหัวเขาแดงสงขลาที่นี่คนที่นั่นก็จะเชื่อกันนะคะว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องดูแลเรียกว่าทวดหัวเขาแดง เชื่อกันว่าท่านมักจะปรากฏกายให้ได้เห็นในรูปของจระเข้ใหญ่มีในตาสีแดงเพลิงค่ะส่วนสถานที่ต่อไปนะคะคือน้ำตกโตงาช้างที่ตั้งอยู่ในจังหวัดสงขลาในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าโตงาช้างที่นี่ปรากฏว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป้องอยู่เรียกว่าทวดตาขุนดำทวดโตประหวังซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงกับน้าตกนะคะเชื่อว่าท่านนั้นมีรูปกายเป็นสีดาขนาดใหญ่ โดยมีเรื่องเล่านะคะคุณผู้ฟังว่าเมื่อราวปีพศ2549ได้มีชาวสิงคโปรค์คนหนึ่งค่ะเดินทางมาเที่ยวน้ำตกโตงาช้างจนตกช่วงเย็นชายคนดังกล่าวได้ออกเดินทางไปปีนเขาเพื่อที่จะขึ้นไปชมทัศนียภาพบนน้ำตกโตงาช้างจากนั้นก็หายตัวไปอย่างไรร่องรอย เพื่อนๆที่มาด้วยกันจึงออกตามหาแต่ก็ไม่พบนะคะก็เลยแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของทางน้ำตกทราบแล้วก็ช่วยกันตามหาจนช่วงดึกค่ะก็ต้องยกเลิกไปแล้วก็หาอีกทีคือตอนเช้าหาอยู่3าวัน3ามคืนค่ะก็หานักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์คนดังกล่าวไม่พบก็เลยเชิญหมอศัยศาสตร์มาทำพิธีกรรมเข้าทรง พอได้รับข้อมูลว่านักท่องเที่ยวชาวสิงคโปร์ที่หลงป่าไปยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ประทังชีพด้วยการกินยอดไม้แล้วก็น้ําเป็นอาหารเขาเพียงแค่โดนผีบังตาเอาไว้ท่านมีต้องเป็นห่วงแต่ประการใดถึงเวลาเขาก็จะกลับมาเองแต่ว่าหลังจากนั้นนะคะก็ขอให้ช่วยสร้างศาลให้เราอยู่ด้วยหัวหน้าทีมค้นหาก็สัญญานะคะว่าถ้าหากว่าเจอก็จะสร้างศาลสถิตบูชาให้ พอวันที่4นะคะคุณผู้ฟังที่ออกค้นหาก็เจอนักท่องเที่ยวคนดังกล่าวค่ะแล้วก็ทำการสร้างสารให้กับทวดตาขุนดำแล้วก็ทวดโตประหวังตามคำสัญญาสถานที่ที่23คือห้องเบอร์333ที่โรงพยาบาลใหญ่แห่งหนึ่งค่ะในเขตอำเภอหาดใหญ่ซึ่งตั้งอยู่เยื้องกับฟาร์มจระเข้เก่า ที่นี่คนแถวนั้นก็จะเชื่อกันนะคะว่ามีผีฝรั่งสถิตยอยู่หากใครที่ขวัญอ่อนเวลานอนอยู่บนเตียงก็จะถูกลากขาหรือบีบนวดขาให้ในเวลากลางคืนให้แก้เคล็ดนะคะด้วยการนำเหรียญบาทสามเหรียญมาวางไว้ตรงมุมบานประตูทางเข้าห้องด้านในแล้วก็บอกกล่าวขอเช่าห้องกับผีเจ้าของห้องก่อนจึงจะอยู่ได้อย่างปกติสุนะคะก็เรียกว่าเจอกันหลายคนแล้วล่ะคะ่ะห้องเบอร์นี้ ส่วนความเชื่ออีกที่หนึ่งนะคะก็คืออำเภอเมืองสงขลาคนที่นี่เขาจะเชื่อกันว่ารูปช้างมีผีฟ้าเทวดาปกป้องรักษาอยู่เรียกกันว่าทวดช้างหรือพ่อทวดช้างเชื่อกันนะคะว่าเป็นดวงวิญญาณของควันช้างแล้วก็พญาช้างใหญ่สองเชือกนะคะก็ที่มีชื่อว่าพ่อพลายแก้วแล้วก็แม่พังงาค่ะ สถานที่ต่อไปคือน้ําตกตนงาช้างเหมือนเดิมนะคะกลับมาอีกที่หนึงแต่ว่าตรงนี้จะอยู่แถวย่านหูแรกในสมัยก่อนก็เชื่อกันนะคะว่ายังมีผีหลังกลวงอาศัยอยู่ที่นี่ค่ะเชื่อกันว่าหลังกลวงเป็นความเชื่อของชาวไทยภาคใต้มีลักษณะเป็นเหมือนคนธรรมดาแบบเราท่านนี่แหละนะคะแต่ว่ามันไม่ชอบใส่เสื้อผ้าประมาณว่าใส่แต่กางเกงที่ขาดรุ่งริ่งนะคะและที่สําคัญคือมันมีสันหลังที่กลวงโบและก็มีน้ําหนองไหลออกมาอย่างน่ากลัว ผีหลังกลวงชอบอาศัยอยู่ในแถบสถานที่ที่มีอากาศเย็นโดยเฉพาะในบริเวณน้ำตกต่างๆของทางภาคใต้เชื่อกันมากค่ะว่ามันชอบกินของดิบๆเป็นนิสยัยส่วนกรรมวิธีในการหลอกคนก็คือมันจะมาทำทีพูดจาเจรจาเป็นมิตรกับผู้ที่ผ่านถิ่นที่อยู่ของมันในยามค่าคืนจากนั้นมันก็จะแกล้งคันหลังแล้วก็ขอให้มิตรใหม่ช่วยกล่าวหลังให้เพราะหันหลังให้ค่ะคนที่มันจะหลอกนะคะ หลายคนพอได้เห็นหลังอันกลวงบองของมันก็อาจจะ ก, กลัวจนวิ่งหนีไปเลยก็มีแต่ว่าผีหลังกลวงในบางพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดพัทลุงก็จะมีวิธีหลอกค่ะโดยการเดินมาตอนกลางคืนแล้วก็อาสาว่าจะช่วยตาข้าวให้พอเจ้าของบ้านเผลอมันก็จะฉวยโอกาสหักคอกับครกตำข้าวคนพัทลุงสมัยก่อนก็เลยไม่ค่อยมีใครนิยมตําข้าวตอนกลางคืนนั่นเองนะคะ สถานที่ต่อไปคือบ้านคูเต่าอําเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาค่ะยังเชื่อกันว่าในเครื่องดนตรีของถิ่นตนมีผีชนิดหนึ่งสถิตยอยู่ซึ่งเรียกว่าโต๊ะเครงเชื่อกันว่าโต๊ะเครงเป็นผีที่สถิตยอยู่ในเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งของทางภาคใต้โดยมีการเส้นสวงที่ตีโต๊ะเครงนะคะก็จะทําให้การประกอบอาชีพทางด้านการเป็นนักดนตรีเจริญก้าวหน้า แต่หากว่าทำผิดกฎการเส้นสวงบูชาแล้วต่อโตะเครงก็จะนำพาความวิบัติมาให้ได้ที่ต่อไปนะคะตามความเชื่อของคนท้องถิ่นค่ะก็บอกว่าแถวอูตะเภาในอดีตยังมีจระเข้ผีสิงสถิตยอยู่มีตำนานเล่านะคะว่าในอดีตลำคลองอูตะเภาอย่างอุดมสมบูรณ์มีจระเข้อาศัยกันอยู่อย่างหนานแน่น เนื่องด้วยมีปลาชุกชุมทำให้วิถีทางการดำเนินชีวิตของคนและก็จระเข้ไม่ยุ่งเกี่ยวกันจวบจนมายุคหนึ่งค่ะเกิดจระเข้กินคนเกิดขึ้นนะคะก็ลือค่ะว่าเป็นจระเข้ผีสิงขึ้นมาจากน้ำคาบคนกัดเด็กกินที่เล่นน้ำบริเวณท่าน้ำวัดท่าแซไปหลายรายจนเป็นที่ประวัติพรั่นพรึงของผู้คนในสมัยนั้นเป็นอย่างยิ่งจวบจนความเจริญได้เดินทางเข้ามาสู่ชุมชนคลองอู่ตะเภามากขึ้น ตำนานจระเข้กินคนค่ะก็เลยลบหายไปกับการเวลาเหลือเพียงคําเล่าลือจากผู้เฒ่าผู้แก่นะคะในอดีตค่ะที่บอกว่าลำคลองแห่งนี้บอกว่าเคยมีจระเข้ผีสิงที่ชอบกินเด็กเป็นอาหารอาศัยอยู่สถานที่ต่อไปนะคะเชื่อกันว่าทะเลสาบสงขาค่ะยังมีนางเงือกอาศัยอยู่ เวลาใดก็ตามที่เป็นคืนจันเดือนเพนสว่างเต็มท้องน้ำผีนางเงือกจะขึ้นมาจากท้องน้ำแล้วก็มานั่งตรงโขดหินใช้หวีที่ทำจากก้างปลาหวีผมอย่างน่าดูน่าชมส่วนใครที่ดวงถึงคาดนะคะนางก็จะลวงแล้วก็ลากลงไปในน้ำในท้องน้ำเนี่ยก็จะเอาบูรานายนั้นทำสามีให้ได้ สถานที่ต่อไปคือถนนสายบ้านในไร่นะคะแล้วก็เขากลอยจะเป็นทางโค้งข้อศอกยามค่ําคืนค่ะหากเห็นผู้หญิงสาวาขี่รถมอเตอร์ไซค์นะคะหรือว่ารถมอเตอร์ไซค์เสียยืนอยู่คนเดียวอย่าชี้นิ้วไปหาอย่ารับขึ้นรถเพราะคนที่นี่นะคะเคยเจอหลายคนแล้วหลายครั้งมากแล้วก็บอกว่าเขาไม่ใช่คนค่ะสถานที่ต่อไปนะคะก็จะเป็นต้นไทรใหญ่หน้าวัดคลองเรียน ที่นีอายุนานมากอาจจะถึงร0 0หรือว่าเกินห0 0ปียามค่ำคืนมักจะมีผู้คนมากมายพร้อมเทียนสองสว่างพวกเขามาหาตัวเลขนะคะก่อนวันหวยออกกันนะคะแต่หากว่าเห็นผู้คนมากมายอันตรธานหายไปในพริบตาที่มองไปนะคะก็ให้ระลึกได้เลยว่านั่นละคะ่ะโดนผีหลอกเรียบร้อยส่วนสถานที่ต่อไปคือพระคเนศ หน้าภาควิชาศิลปะวคสงขลาที่นี่นะคะเชื่อกันว่าศักดิ์สิทธิ์มากๆหากใครอยากลองดีให้มาตอนเที่ยงคืนพร้อมกับหันเขา้าหันก้นเข้าหานะคะแล้วก็เกาใส่หน้าท่านเชื่อกันว่าโดนดีทุกไลน์นะคะสําหรับข้างภาคศิลปะวคสงขลาค่ะก็มีความเชื่อกันบอกว่าสมัยก่อนนี่ที่นี่มีต้นมะพร้าวใหญ่อยู่ต้นหนึ่งข้างสระน้ําซึ่งปัจจุบันตัดทิ้งไปแล้วนะคะตอนดึกๆเด็กๆที่นี่จะเห็นผู้ชายคนหนึ่งรูปร่างกํายำผิวดําหัวหยิก ไม่ใส่เสื้อผ้าค่ะพุ่งดิ่งลงมาจากต้นมะพร้าวแล้วก็ลงสู่สระน้ำข้างภาควิชาหายลงไปไม่โผล่ขึ้นมาอีกเลยไม่ต้องตกใจนะคะเขาแค่มาทักทายเด็กศิลนอันนี้ก็จะเป็นคำเล่าลือกันจากรุ่นสู่รุ่นนะคะทีนี้จะเป็นเรื่องของตำนานบ้านลงศพหน้าซอย10ราชอุทิศค่ะก็เคยได้ยินเรื่องเล่าในหาดใหญ่อยู่เรื่องหนึ่งเหมือนกันหลายสปีก่อนคือเรื่องตำนานบ้านลงศพ ว่ากันว่ามีบางส่วนของตัวบ้านดังกล่าวที่สร้างออกมาเหมือนรูปโลงศพยังไงย่างนั้นแล้วก็เล่าลือกันนะคะว่าหลังจากเจ้าของบ้านได้เข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านหลังดังกล่าวไม่นานก็ประสบอุบัติเหตุตา ย, ตายหมู่นะคะก็คือเสียชีวิตยกครอบครัวบางคนก็เล่าลือกันว่าเห็นเรื่องแปลกๆเวลาขับรถผ่านบ้านหลังดังกล่าวปัจจุบันนะคะบ้านลงศพกลายเป็นร้านถ่ายรูปไปแล้วนะคะ ส่วนที่ต่อไปคือบ้านรูปยิ้มค่ะท้ายซอยเจ็ดราชอุทิศเป็นภาพขาวดำของผู้หญิงสาวนางหนึ่งที่เล่าลือกันว่าเธอผูกคอตายในบ้านได้มีการนำรูปภาพดังกล่าวมาแขวนไว้บริเวณหน้าบ้านค่ะแล้วก็ลือกันอีกว่าหากใครดวงซวยเวลาขับรถผ่านหญิงสาวในภาพก็จะยิ้มให้อันนี้ต้องรีบไปทำบุญแล้วนะคะ อีกเรื่องนึงเป็นเรื่องที่โด่งดังมากในอดีตค่ะนั่นก็คือเรื่องตำนานผีช่องแอร์ที่หาดใหญ่เชื่อกันว่าโรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองหาดใหญ่นะคะก็เป็นต้นเหตุแห่งความตายของกลุ่มนักดนตรีแล้วก็เป็นต้นเหตุแห่งตำนานผีช่องแอร์ค่ะแล้วก็มีการเล่าลือกันว่าห้องดังกล่าวของโรงแรมที่เกิดเหตุมีอัตราความเฮี้ยนสูงมากใครมาพักก็มักจะเจอดีเข้าแทบทุกรายเส้นผมผู้หญิงสาวร่วงลงมาจากเพดาน เสียงประหลาดยามค่ำคืนกลิ่นศพเน่าโชยมาโดยไม่มีสาเหตุนะคะโดยหลายคนค่ะมาถามนะาบอกว่าแล้วที่ไหนกันโรงแรมนี้แน่นอนว่าไม่ใช่โรงแรมกลางเมืองหาดใหญ่แน่นอนนะคะโรงแรมนี้ร้างมากว่า10ปีแล้วตั้งแต่น้าท่วมใหญ่คราวนั้นหลายคนบอกนะคะว่ามันคือโรงแรมหาดใหญ่ออคิดอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าจริงหรือไม่นะคะ เรื่องต่อไปคือเรื่องผีที่อาคาร3เด็กเทคนิครุ่นเก่าๆค่ะเล่าลือกันว่าตั้งแต่เดิมอาคาร3เนี่ยในวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่เคยมีคนตกลงมาตายครูหลายคนก็ยืนยันว่าจริงนะคะหากยืนมองวิวทิวทัศน์อยู่ดีๆมีใครตกลงมาแล้วปรากฏว่าร่างนั้นอันตรธานหายไปอย่าไปทักนะคะคุณผู้ฟังแสดงว่าเจอดีเข้าแล้วค่ะส่วนอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของตานานต้นจามจุรีให้โชคหาดใหญ่ใน หลายคนเรียกกันว่าทวดแม่จามจุรีหรือทวดไกรสิงราชสีจามจุรีใหญ่อันเป็นที่สิงสถิตของทวดแม่จามจุรีนะคะตั้งอยู่ปากทางเข้าถนนโชคสมานหนึ่งตรงท่ามสพหาใหญ่ก็เล่ากันนะคะว่าต้นไม้ต้นนี้เคยเป็นที่ประหารชีวิตนักโทษในสมัยสงครามโลกครั้งที่2นะคะก็สืบตำานานพอได้ว่าในราวๆปี2552ะคะ ภรรยาของตำรวจชั้นประทวนซึ่งทำงานอยู่ที่สอพอหัดใหญ่ได้หลับลงไปด้วยความเหนื่อยอ่อนจากการปฏิบัติภาระหน้าที่ประจำวันที่บ้านพักใกล้กันกับต้นจมจุรีหรือทวดแม่จามจุรีค่ะบอกว่าจะให้เลขเด็ดนะคะคือฝันเห็นค่ะและเหนนี้เนี่ยแต่ว่ามีข้อแม้ว่าขอให้ตั้งสารให้ที่ใต้ต้นจำจุรีเป็นสิ่งแรกเปลี่ยน ปรากฏว่าถูกหวยจริงนะคะแต่ผู้เป็นภรรยาของตำรวจชั้นประทวนนางนี้ก็ยังไม่ปักใจเชื่อเสเท่าไถ่นักนะคะก็เลยไปทำการบ่นกับทวดแม่จามจุรีว่าขอให้ถูกหวยเป็นครั้งที่2แล้วจะสร้างสารแก้บนให้ปรากฏว่าถูกหวยมาเลยจริงค่ะดังที่ทำการบ่นไว้ต่อมาก็เลยมีการสร้างสารเพียงตาไว้ให้สาหรับเป็นที่สถิตแก่ทวดแม่จามจุรีครั้งข่าวลือเรื่องทวดแม่จามจุรีให้เลขเด็ดได้อย่างแม่นยา ก็รู้ถึงหูเซียนหวยนักเลงตัวเลขจากทั่วประเทศก็เลยแห่กันเข้ามาเพื่อขอเลขเด็ดไม่เว้นแม้แต่ชาวต่างชาติที่ ท, ทราบข่าวไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียสิงคโปร์จีนนะคะจามจุรีเนี่ยอันเป็นที่สิงสถิตของทวดแม่จามจุรีนะ้ปากทางเข้าถนนโชคสมานหนึ่งตรงข้ามสพหัดใหญ่ก็เลยแน่นขนาดไปด้วยผู้คนมากหน้าหลายตาจากทั่วสารทิศเลยล่ะคะ่ะ ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยชาวต่างชาติอันมีสิ่งมุ่งหวังอันเดียวกันก็คือเลขเด็ดนะคะนอกจากนี้ค่ะเรื่องเลขเด็ดที่ชาวบ้านนิยมมาขูดทาแป้งรูปหากันแล้วก็ยังปรากฏอีกว่ามีความเชื่ออย่างหนึ่งที่แพร่สะพัดกันไปในวงกว้างก็คือเชื่อกันว่าทวดแม่จาจุรีเนี่ยไม่ชอบให้ใครมาตัดกิ่งก้านใบโดยไม่ได้รับอนุญาต ดังเรื่องเล่าลือที่ว่าก่อนหน้านี้ไม่นานนะคะเคยมีเจ้าหน้าที่ของเทศบาล น, นครหาดใหญ่ทําการตัดแต่งกิ่งไม้ข้างถนนครั้งตัดมาแต่งมาเรื่อยๆถึงต้นจามจุรีใหญ่ต้นดังกล่าวค่ะก็ปรากฏนะคะว่าอุปกรณ์ตัดแต่งกิ่งไม้นี่ไม่ทํางานอยู่นานเลยพยายามอย่างไรก็ไม่สามารถซ่อมอุปกรณ์ดังกล่าวได้จึงต้องล้มเลิกการตัดแต่งกิ่งต้นจามจุรีออกไปทีนี้พอเจ้าหน้าที่ของเทศบาลหาดใหญ่ทําการตัดแต่งกิ่งไม้ในครั้งที่2 ก็ปรากฏนะคะว่าเครื่องตัดแต่งกิ่งต้นไม้ก็ไม่ทํางานเหมือนครั้งแรกก็เลยเกิดเป็นเสียงลือเสียงเล่าอ้างล่ะค่ะถึงความเฮี้ยนของต้นจามจุรีใหญ่ณนะปากทางเข้าถนนโชคสมานหนึ่งกันอย่างกว้างขวางอีกที่หนึ่งนะคะคือตำนานผีทวดเฝ้าถ้าหรือตำนานทวดแหลมจากค่ะเป็นความเชื่อของชาวบ้านตนําบลเกาะใหญ่เอเภอกระแสะสินจังหวัดสงขลา ตำนานทวดแหลมจากมีดังนี้นะคะกล่าวก็คือภายในอนาณาบริเวณของหมู่ที่หนึ่งนะคะตำบลเกาะใหญ่อำเภอกระดสสินจังหวัดสงขลาจะมีถ้ำใหญ่อยู่แห่งหนึ่งซึ่งที่ถ้ำแห่งนี้เนี่ย มีชาวบ้านเชื่อกันว่าภายในมีทรัพย์สมบัติแก้วแหวนเงินทองถ้วยชามที่เป็นทองคําฝังเอาไว้ภายในเป็นจํานวนมากและก็ภายในถ้านี้เองค่ะปรากฏนะคะว่ามีจระเข้ใหญ่ชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นจระเข้เจ้าที่แล้วก็ศักดิ์สิทธิ์มากพร้อมกับทั้งขนานนามให้นะคะว่าทวดแหลมจากมีหน้าที่เฝ้าปกปักรักษาทรัพย์สมบัติดังกล่าวอยู่ คนแต่ครั้งโบราณหรือว่าชาวบ้านในสมัยก่อนค่ะสามารถเข้าไปหยิบยืมทรัพย์สมบัติต่างๆของทวดแหลมจากได้แต่ว่ามีข้อแม้จะต้องนำมาคืนในระยะเวลาที่กำหนดครั้งการต่อมามีคนผ่านนะคะเข้าไปหยิบยืมทรัพย์ของทวดแล้วไม่นำมาคืนให้ทวดแหลมก็เลยโกรธค่ะปิดปากถ้ำลงด้วยหินก้อนขนาดใหญ่ตรงบริเวณปากทางเข้าถ้ำ ด้วยเหตุนี้นะคะจึงไม่มีใครสามารถเข้าไปหยิบยืมทรัพย์สมบัติของทวดได้อีกแต่ว่าชาวบ้านในบริเวณดังกล่าวที่ยังเชื่อนะคะว่าทวดแหลมในรูปของจระเข้ทวดขนาดใหญ่ก็ยังคงสถิตอยู่ภายในถ้ำแห่งนั้นนะคะ ตำนานต่อมาคือตำนานแม่กงค่ะผู้ยิ่งใหญ่แห่งบ้านเกาะมีมีเรื่องเล่าสืบทอดกันมาอย่างยาวนานถึงรูปแบบความศักดิ์สิทธิ์ของทวดแม่กงเอาไว้บอกว่าเมื่อนานมาแล้วยังมีชาวบ้านที่เป็นชาวบ้านเกาะมีคนนึงนะคะนั่งพูดคุยกับเพื่อนอยู่ที่ชันเรือนค่ ะ, คะก็เกิดการท้าเพื่อนเอาไว้ว่าไม่เชื่อในตำนานความศักดิ์สิทธิ์ของทวดแม่กงถ้าทวดแม่กงศักดิ์สิทธิ์จริงขอให้ขึ้นมาหาบนเรือนเขาจะยอมให้ทวดกัดให้ถึงแก่ชีวิต ขณะเดียวกันนั้นเองก็ปรากฏว่ามีพญาคางคกนะคะอยู่ตัวนึงค่ะนั่งอยู่บนโขดหินริมฝั่งแม่น้ำณนะบ้านเกาะหมีโจนทยานลงจากโขดหินลงสู่แม่น้ําดังกล่าวเสียงดังสนัน่นกลายร่างเป็นจระเข้ใหญ่นะคะแล้วก็ว่ายตรงเข้าไปสู่บ้านของชายหนุ่มผู้ที่ท้าทายถึงริมฝั่งน้ําได้ทวดแม่กองมองชายผู้ที่ท้าทายด้วยสายตาที่โกรธอย่างถึงที่สุดพร้อมกับลำเลียงตนขึ้นสู่ฝั่ง แล้วก็กลายร่างเป็นงูบองหลาขนาดใหญ่นะคะงูบองหลาภาคใต้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นภาษากลางก็คือจะเป็นงูจงอางเลื้อยตรงรีเข้าไปจนถึงบ้านของผู้ชายคนที่ท้าทายขึ้นไปบนเรือนชานแล้วค่ะก็ได้เข้าไปกัดเลยนะคะเล่นเอาท่านเจ้าของบ้านถึงกับหน้าถอดสี ก็เลยต้องยอมขอเข้ามาแม่ทวดกงในทันทีทันใดทวดก็เลยยอมกลับสู่แม่น้ำแล้วก็ไม่ได้ทําร้ายเอานะคะสืบทราบว่าปัจจุบันชาวบ้านเกาะมีก็ยังคงเชื่อกันอยู่ตามตำนานเล่าขานกันมาอีกตำนานความเชื่อหนึ่งเป็นตำนานเรื่องของผีนางรำไรหน้าที่โรงเรียนใหญ่แห่งหนึ่งแถวย่านหาดใหญ่ในเป็นเรื่องเล่ากันค่ะในหมู่นักเรียนโรงเรียนนี้มานานแล้วว่าที่ตึกศูนย์ศิล มักมีเหตุการณ์แปลกๆในค่ำคืนวันทางาศาสนาเช่นวันพระนะคะกล่าวก็คือมักมีคนได้ยินเสียงดนตรีไทยแว่วมาตามลมบางคนที่ดวงไม่ค่อยดีนะคะอาจจะเห็นนางรำไร้หน้ากำลังร่ายรำกันอย่างสวยงามกันเลยล่ะคะ่ะตำนานกระดาษข้อสอบที่เกินมาในอาคารสอง ในมหาดใหญ่ค่ะเล่าลือกันในหมู่นักศึกษาว่าห้องสอบห้องนึงในอาคารดังกล่าวนะคะก็จะมีอาจารย์ห่แจกข้อสอบให้เกินมา1นชุดเสมอเพราะว่าเคยมีนักศึกษาตายในระหว่างสอบหากข้อสอบไม่เหลือหนึ่งชุดมักจะมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นนะคะอันนี้เด็กที่มหาดใหญ่เขาก็จะเล่าลือกันตามคำบอกเล่า เรื่องต่อไปเป็นเรื่องผีห้อยขานะคะที่มอหัดใหญ่เหมือนกันค่ะก็เล่าลือกันในกลุ่มหมู่นักศึกษานะคะบอกว่าที่ตึกหนึ่งในมอหัดใหญ่หากใครเห็นคนนั่งห้อยขาอยู่ที่เหนือบันไดตัวหนึง่งก็อย่าไปร้องทักนะคะบอกว่าอันนี้ก็คือผีไม่ใช่คนอันดับที่44นะคะก็คือสถานที่ที่สีค่ะตำนานความเชื่อเรื่องของเสียงซอดังแว่วที่ห้องดนตรีไทยโรงเรียนวอรนารีเฉลิมเชื่อกันนะคะในหมู่เด็กนักเรียนว่า เวลาดึกๆมักได้ยินเสียงดนตรีไทยโดยเฉพาะเสียงซอแววมาจากตึกดังกล่าวข้างในก็มีใครอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าประตูทางเข้ามันล็อกจากด้านนอกจากการสอบถามครูผู้ฝึกสอนที่เป็นเพื่อนกันนะคะก็บอกว่าเคยไปฝึกสอนที่โรงเรียนนี้มาแล้วปรากฏว่าเจอเหตุการณ์แปลกๆที่อาคารดังกล่าวเหมือนกันกล่าวก็คือคืนนั้นต้องมาช่วยท่านอาจารย์สืบ แกะแผ่นโฟมที่ห้องศิละปะทั้งคืนก็อยู่กับเพื่อนรวมสามคนปรากฏนะคะว่าตกดึกมาเพื่อนอีก2คนออกไปกินกาแฟส่วนเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เป็นครูอยู่เนี่ยก็อาบน้ำจนประมาณตี2ขณะอาบน้ำเองนะคะที่ห้องน้ำครูชั้น2 ก็มีคนมาเคาะประตูดังๆสองทีพอใส่กางเกงได้ก็รีบออกมาดูปรากฏว่าไม่เจอใครค่ะพอมองไปที่หน้าต่างก็พบเพื่อน2คนยังคงนั่งอยู่ร้านกาแฟาในตึกก็มีอยู่คนเดียวก็คือคนที่พบเหตุการณ์ก็เลยสงสัยอยู่จนทึกวันนี้ว่าใครกันที่ามาเคาะประตูห้องน้ําตอนตี2 ส, ส่วนเหตุการณ์เสียงซอดังแว่วก็เคยได้ยินเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าได้ยินพร้อมกัน3คนตอนเที่ยงคืนตรงแต่พอออกหาต้นตอของเสียงกลับ มาจากซอของอาจารย์สืบที่แอปเล่นอยู่ข้างล่างนะคะเรียกว่าอาจารย์สืบเนี่ยก็นอนดึกจริงเหมือนกันนะคะเออหรือว่าผีที่นัเกเรียนเขาได้ยินกันเนี่ยผีเสียงซอเนี่ยจะเป็นซอของอาจารย์สืบก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะ เรื่องเล่าต่อไปค่ะเรื่องเล่าที่45เป็นเรื่องเล่าสายลมที่พัดแรงในห้องสมุดโรงเรียนวอร์นารีเฉลิมสายลมดังกล่าวมักพัดเวลาในช่วงเช้าค่ะทาให้เก้าอี้ในห้องสมุด6ล้มเระเนเระนาดไปหลายตัวทั้งที่ปิดหน้าต่างหมดทุกบานแล้วนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าณนะปัจจุบันนี้ยังมีเก้าอี้ล้มลงจากการที่ลมพัดอยู่หรือไม่ตำนานที่46ค่ะตำนานผีวิ่งเล่น ที่อาคารเรียนอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ก็เล่าลือกันนักหนาค่ะในหมู่นักศึกษาอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเก่าๆราวปี3านะคะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังฟังอยู่มีใครที่เรียนนะคะในรุ่นปี 3,6 เนี่ยว่าชั้น4ี่อาคารเรียนอิเล็กทรอนิกส์ยามค่ามักมีเรื่องแปลกๆก็มาเล่าให้ฟังหน่อยนะคะเพราะว่า เด็กที่นี่เขาเรียนภาคบ่ายนะคะสมัยก่อนเนาะเขาก็บอกว่าเล่าต่อต่อกันมาบอกช่วยปิดประตูอาคารเรียนให้อาจารย์ตรวจเช็คว่ามีไม่มีใครอยู่ในตึกแล้วแต่ก็ปรากฏว่าได้ยินเสียงคนวิ่งอยู่ด้านบนพอขึ้นไปดูอีกทีหนึ่งก็ไม่ปรากฏว่ามีใครอยู่บนอาคารก็ว่ากันว่านะคะคนที่ดวงสวยมากๆอาจจะเจอเป็นเงาหรือเป็นร่างให้เห็นจะเกันก็ได้ตรงบริเวณแังเก็บน้าอาคารอิเล็กที่หลายๆคนก็เจอมานะคะ ใครที่เรียนที่นี่นะคะหรือว่าเรียนในราวปีนี้ก็กรุณาเล่าให้ฟังด้วยกันแล้วกันเนาะว่าเคยเจอไม่มีจริงหรือไม่อย่างไรนะคะส่วนเรื่องที่47ค่ะเป็นความเชื่อเกี่ยวกับนักเรียนหญิงถักเปียบริเวณบันไดวงอ่าบันไดเวียนโรงเรียนหญิงล้วนนะคะที่หาดใหญ่ค่ะ ก็เล่าลือกันว่าหากใครดวงซวยจะเจอเข้ากับเธอบางครั้งเธอก็มาให้เห็นเองบางครั้งก็มาเป็นเสียงเหมือนคนตกบันไดอย่าพยายามไปค้นหาเพราะว่ายังไงก็หาไม่เจอนะคะเขาบอกว่าเนี่ยคือเสียงของผีแล้วก็มีผีบูมด้วยนะของคณะวาจากรที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่เนี่ยนะคะก็เล่าต่อกันนะคะบอกว่ า, ารุ่นพี่ที่คณะวาจากรเนี่ยเช่ารถตู้เหมารวมกันจะไปรับปริญญาที่จังหวัดหนึ่ง นะคะทางตอนล่างของภาคใต้เป็นวิทยาเขตนะคะแล้วรถตู้ก็ประสบอุบัติเหตุคือตายหมู่หลายศพเลยพอถึงเวลาที่ผ่านมาบรรจบรุ่นพี่ที่ตายไปมักจะกลับมาบูมถึงห้องน้องๆคณะวจกเพราะว่ายังไม่ได้รับปริญญาก็เล่ากันต่อค่ะว่าอีกหลายคนเจอเข้ากับตัวเองถึงกับจับไข้ไปหลายวันมีเรื่องตำนานแขนปริศนาด้วยค่ะที่โรงเรียนกอบกุลวิทยาคมหมู่บ้านคลองแงอําเภอสะเดาจังหวัดสงขลานะคะ มีตำนานเรื่องเล่าเกี่ยวกับอาคารห้องสมุดเก่าของโรงเรียนบอกว่าหลายคนมักจะเห็นแขนเห็นมือปริศนาที่มีเล็บยาวๆแล้วก็แหลมมากเป็นบางครั้งในเวลาเย็นๆหรือว่าเวลากลางคืนค่ะพอมองออกไปนานๆแขนดังกล่าวก็จะหายไปเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของผีทหารที่โรงเรียนบ้านคลองแงะนะคะหรือว่าชาติบุญยวิทยาการค่ะที่อำเภอสะดาอันนี้เล่าลือกันในหมู่คนเฒ่าคนแก่บริเวณใกล้กับโรงเรียนบอกว่า สถานที่ที่ตั้งโรงเรียนเดิมทีเนี่ยเป็นสุสานทหารญี่ปุ่นเคยมีคนมาลองของกันตอนดึกปรากฏว่าเจอผีญี่ปุ่นไม่มีหัวต้องวิ่งกันแตกกระเจิงกันเลยทีเดียวตำนานที่51นะคะก็จะเป็นตำนานผีผูกคอในตู้เหล็กเป็นเรื่องเล่าของนักศึกษาหอพักอาคาร2วิทยาลัยแห่งหนึ่งค่ะตั้งอยู่ตรงข้ามกับโลตัส เล่าลือกันในหมู่ของเด็กหอพักว่ามักจะเจอเหตุการณ์แปลกๆเวลาเอาเสื้อผ้าหรือวัสดุอุปกรณ์ไปเก็บในล็อกเกอร์ตู้เหล็กภายในหอพักดังกล่าวก็ว่ากันว่าคนที่ดวงซวยมากๆก็จะเห็นเป็นนักศึกษาผู้ชายผูกคอตายในตู้เหล็กนะคะเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องตำนานชุดนอนสีแดงหอพักนายและตำนานเต่าปริศนาเป็นเรื่องเล่าในหมู่นักศึกษาของวิทยาลัยทักษิณบอกว่าห้ามใส่ชุดนอนสีแดงแล้วก็ห้ามร้องเพลงแต่ปางก่อนในหอพักไม่งั้นจะเรียนไม่จบ แล้วก็อาจจะเจอดีในหอพักซึ่งหลายคนค่ะเล่าว่าหากใส่ชุดนอนสีแดงจะถูกผีดึงลงมาจากเตียงนอนแล้วก็หากว่าร้องเพลงแต่ปางก่อนภายในหอพักก็จะมีเสียงร้องคลอตามมาด้วยนะคะส่วนตำนานเต่าปริศนาน่าบริเวณสระน้ำหน้าหอพักริมบึงเด็กที่มทักสินเชื่อกันค่ะว่าหากใครมานั่งเล่นในยามค่าคืนแล้วเห็นเต่าในสระน้าหน้าหอพักที่ริมบึงแล้วก็ จะทำให้เรียนไม่จบนะคะนี่ก็คือตํานาน52เรื่องผีแล้วก็52ความเชื่อและก็สิ่งลี้ลับในจังหวัด ส, สงขลานะคะคุณผู้ฟังพอได้ฟังแบบนี้แล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะทั้งนี้จะจริงเท็จประการใดก็สุดแท้แต่คุณผู้ฟังจะพิจารณาด้วยตัวเองค่ะ